ตอนที่หนึาทำไมถึงเป็นหยวนเศร้าเหิงไปได้เรื่องสิ่งเดิมทางเรายังไม่ได้พิจารณาเลยค่ะลีชิงผิงนึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะเตรียมการเรื่องสินสอดไว้พร้อมสับขนาดนี้จนเธอตั้งตัวแทบไม่ทันสิ่งเดิมนั้นต้องเตรียมให้ลูกสาวอย่างแน่นอนแต่การจะเตรียมค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนในเมื่อตระกูลหยวนเตรียมทุกอย่างไว้เกือบหมดแล้วเธอก็ควรกลับไปคบคิดให้ดีว่าจะเตรียมอะไรให้ลูกสาวบ้างไม่เป็นไรแค่จะมีสิ่งเดิมหรือไม่ก็ไม่สําคัญพวกเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ คุณแม่หยวนโบกมือพรางกล่าวอย่างเกรงใจหลีหวานนั่งฟังพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายหารือกันด้วยความรู้สึกมึนงงไปหมดจนกระทั่งใต้โต๊ะฝ่ามือของหยวนเศร้าเหิงท่าลงบนหลังมือของเธอเขาบีบเบาๆอย่างมีจังหวะหลีหวานจึงหันไปมองเขาตามสัญชาตญาณแววตาของหยวนเศร้าเหินราบเรียบคล้ายกำลังปอบโยนไม่ให้เธอตื่นเต้นการพบกันของทั้งสองครอบครัวเป็นไปอย่างราบรื่นระหว่างทางกลับบ้านหลังจากเสร็จสิ้นการพบปรีชิงพิงก็เริ่มขบคิดเรื่องสิ่งเดิม เสี่ยวหวานเอาบ้านหลังเล็กที่เราซื้อไว้ก่อนหน้านี้ให้ลูกเป็นสินเดิมดีไหมหลีชิงผิงพูดขึ้นกระทันหันอย่าดูว่าบ้านหลังนั้นเล็กนะทําเลมันดีมากอีกอย่างตอนนี้ราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมสิบกว่าเท่ามูลค่าหลายหมื่นหยวนเชียว ล, ละลูกแต่งงานกระทันหันไปหน่อยในมือแม่เลยมีเงินสดไม่มากนักที่เป็นเช่นนี้เพราะเงินส่วนใหญ่ถูกนําไปซื้อที่ดินหมดแล้วแม่ขนหนูไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละข้าไม่เก็บไว้ใช้ยามเกษเียณเถอะหสี่หวานกล่าวด้วยรอยยิ้มจะมีสินสอดหรือหรือออสสิินนนเดดมมมมมหหรรไไไไ่่่่่ก็ําคคััู้้งงทีตะ ไม่ได้หลอกตั้งแต่โบราณมาก็มีธรรมเนียมเรื่องสินเดิมกับสินสอดในเมื่อทางนั้นให้สินสอดมาทางเราก็ต้องเตรียมสินเดิมแน่นอนถึงแม้ว่าสินเดิมที่เราเตรียมให้ลูกอาจจะไม่มากเท่าที่ตระกูลหยวนให้มาก็เถอะลีชิงผิงกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังอีกไม่กี่วันแม่จะเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้านหลังนั้นเป็นชื่อลูกทางเราก็เตรียมเงินไว้อีก 16, ึ่งหพันหยวนพอรวมกับสินสอด 16,00 งหนหกพัยวนที่เขาให้มาก็จะเป็นเงิน 32,000 ืนองพัหยวนมอบให้เสี่ยหวันทั้งหมดเลยเจิ้งอวิ๋นโฉงกล่าวขึ้นทนททัี ลี่ชิงพิงชงักด้วยความตกใจบ้านเรามีเงินสดถึง 16, หนึ่งหพันยวนเลยเหรอคะเธอไม่ได้เสียดายเงินแต่ประเด็นคือเธอต้องขายที่ดินในมือออกไปอีกแปลงซึ่งเวลาอาจจะไม่ทันการเอาออกมาไม่ได้เหรอเจ้งอวิ๋นช้อนถามตอนนี้เงินในธนาคารของบ้านเรามีแค่เงินเก็บไม่กี่พันหยวนเองคะ่ะเงินฉุกเฉินของบ้านมีอยู่ส่วนหนึ่งลีชิงพิงอธิบายฉันไม่ได้บอกคุณแล้วหรือว่าเงินของบ้านฉันเอาไปซื้อที่ดินหมดแล้ว ตอนนี้ที่ดินไม่กี่แปลงที่ฉันเล็งไว้มูลค่าพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวถ้าขายตอนนี้คงไม่เหมาะเสียเปรียบแย่เลยพ่อคะแม่คะหลิวันฟังพวกเขาถกเถียงกันจึงเอ่ยปากขัดจังหวะอีกครั้งพวกคุณไม่ต้องเตรียมอะไรให้หนูจริงๆแค่หนูไม่ขาดเหลืออะไรเลยหลิวันมีมิติลำพังแค่สมุนไพรร้อยปีในมิตินั้นมูลค่าตัวเธอในตอนนี้ก็มหาศาลจนประเมินไม่ได้เธอไม่มีทางรับสิงเดิมจากพ่อแม่แน่นอนถ้าพวกคุณให้มาหนูคงต้องคืนให้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าลำบากกันเลยคะ่ะ ทำแบบนั้นได้ยังไงถ้าไม่เตรียมให้ลูกเลยแต่งเข้าบ้านเขาไปลูกต้องถูกคนอื่นดูถูกแน่ๆ แ, แม่คะถ้าพวกเขาดูถูกหนูๆคงไม่แต่งงานด้วยตั้งแต่แรกแล้วคะลีวันกล่าวด้วยน้ำเสียงร่าเริงคุณพ่อคุณแม่ตระกูลหยวนนิสัยดีมากพูดจามีเหตุมีผลและวางตัวดีอีกอย่างถ้าพวกเขาจะรังเกียจเธอก็คงไม่ยอมให้ทั้งสองคนคบหากันตั้งแต่แรกแล้วหือแน่นอนอยู่แล้วลูกสาวพ่อเก่งกาจขนาดนี้ใช่ว่าใครจะคู่ควรได้ง่ายๆเจิ้งอวิ๋นชงเชิดค้างขึ้นอย่างภาคภูมิใจลูกรัก เรื่องนี้ลูกไม่ต้องยุ่งหรอกมีพ่อกับแม่ลูกอยู่ทั้งคนลูกๆในบ้านเราไม่มีใครต้องน้อยหน้าแน่นอนพ่อจะปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมลูกสาวต้องเตรียมสินเดิมส่วนลูกชายแต่งงานก็ต้องเตรียมสินสอดหลีหวานบ้านตระกูลหยวนแม่ว่าวันที่หกเดือนหกเป็นเรื่องดีนะงั้นเรากําหนดวันมั่นเป็นวันนี้ดีไหมคุณแม่หยวนกล่าวขึ้นลอยๆแล้วก็แต่งงานวันที่หกเดือนเก้าแต่งงานวันที่หกเดือนหกมั่นเดือนหน้าครับ หยวนเศร้าเฮงพรงขึ้นมาอ้าวทำไมละ่ะคุณไม่หยวนตกใจลูกรักทั้งงานม่นและงานแต่งเราต้องเตรียมตัวให้ดีนะถ้าทำแบบนั้นเวลาเตรียมตัวก็น้อยลงนะสิเท่ากับว่าเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวเองนะเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องไม่คาดคิดครับหยวนเศร้าเหฮงไม่อยากเสียเวลาอีกต่อไปทำตามที่ผมบอกเถอะครับเวลาหนึ่งเดือนเทียงพอแล้วแต่ว่า คุณนายหยวนตั้งแทบจะพูดต่อแต่หยวนเฟยส่งสัญญาณบอกเธอว่าไม่ต้องพูดและลูกชายคนนี้เห็นชัดว่าแทบจะรอไม่ไหวที่จะตกแต่งภรรยาเข้าบ้านในเมื่อลูกชายยืนกรานเช่นนี้ก็ทำตามที่เขาว่าเถอดเอาเถอะคุณก็เริ่มเตร็มตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยสิเวลาเหลือเฟือหยวนเฟยหัวเราะพวกแกแต่งงานปีนี้ปีหน้าก็รีบมีหลานชายตัวน้อยให้พวกเรานะอห่านนึกไม่ถึงเลยว่าฉันจะยังหนุ่มยังแน่นขนาดนี้แต่ใกล้จะได้อุ้มหลานแล้วรู้สึกเหมือนฝันไปเลย แต่งงานก็ส่วนแต่งงานครับหลังจากแต่งแล้วจะมีลูกเมื่อไหรเราสองคนจะตัดสินใจเองต่อไปห้ามเร่งรัดเรื่องลูกต่อหน้าเสียวันเด็ดขาดหยวนเซ้าเหิงกล่าวตอนนี้เธอยังอายุน้อยแต่งงานได้แต่เรื่องมีลูกเอาไว้ก่อนครับการมีลูกนั้นลําบากเกินไปเขาสงสารที่เธอต้องเหนื่อยตั้งแต่อายุยังน้อยดังนั้นสิ่งที่เขาคิดคือหลังจากแต่งงานแล้วเขาอยากให้ทั้งสองคนใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขและดื่มด่ากับความหวานชื่นของชีวิตคู่เสียก่อนส่วนเรื่องลูกค่อยว่ากันทีหลัง ตกลงหยวนเฟย์ไม่กล้าขัดขันอะไรอีกตระกูลหยวนและตระกูลเจิ้งเริ่มเตรียมงานกันอย่างขมะขม่นส่วนหยวนเซ้าเหิงและหลี่หวานซึ่งเป็นตัวเอกของงานกลับว่างเว้นเป็นพิเศษเพราะผู้ใหญ่ในบ้านยุ่งกันจนไม่มีเรื่องอะไรถึงมือพวกเขาทั้งสองคนเลยเที่ยงพริ่ตาเดียวก็ถึงวันมงคลสำหรับการมั่นหมาในะเขตทหารตระกูลหยวนจัดขบวนรถรับมัดหลายคันดูสง่างามและภูมิฐานยิ่งนักคนในเขตทหารต่างรู้ว่าหลี่หวานกำลังจะมั่นแต่พวกเขาไม่รู้ว่าคู่มั่นคือหยวนเซ้าเหงิง ตลอดเวลาที่ทั้งสองคบหากันนอกจากคนในครอบครัวแล้วคนอื่นไม่มีใครร่วงรู้เลยทันทีที่หยวนเซ้าเหิงปรากฏตัวผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์เอ๊ะเซ้าเหิงมาได้ยังไงแล้วคนไหนคือคู่มั่นของลูกสาวอาวิ๋นชงละ่ะฉันก็เริ่มมองแล้วเหมือนกันเห็นว่าทางนั้นรวยมากเลยนะไม่ต้องมองหาที่ไหนหรอกก็หยวนเซ้าเหิงนั่นแหละอ้าวฉันไม่ค่อยเข้าใจความหมายเลยหยวนเซ้าเหิงไม่ใช่หลานชายบ้านเจิ้งหรอกเหรอ ถึงทั้งสองคนจะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันเลยแต่งงานกันมันจะเหมาะสมหรอหยวนเซ้าเหิงไม่ใช่คนตระกูลเจิ้งเสียหน่อยมีอะไรไม่เหมาะสมล่ะก็เหมือนกับรักแท้ที่โตมาด้วยกันนั่นแหละเรื่องนี้กลายเป็นหัวข้อสนทนาใหญ่โตในเขตทหารแต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพิธีมั่นเลยแม้แต่น้อยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมั่นหลี่วานถึงกับรู้สึกหวั่นหวั่นว่าในวันแต่งงานจริงเธอคงจะเหนื่อยมากแน่ๆแค่งานมั่นก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดโดยเฉพาะการต้องยืนทั้งวันจนน้องปวดหนึบไปหมด ในตอนกลางคืนหลี่หวานและหยวนเศร้าหึงต่างแยกย้ายกันกลับบ้านของตนเพราะอย่างไรเสียก็เป็นเพียงงานมั่นเท่านั้นพอถึงห้องเธอก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงและพล่อยหลับไปทันทีเมื่อหลี่ชิงพิงเดินมาหาเธอเคาะประตูอยู่นานแต่ไม่มีเสียงตอบรับจึงผลักประตูเข้าไปเห็นลูกสาวหลับปุ๋ยไปแล้วหลับเปรอขนาดนี้เลยเหรอหลี่ชิงพิงหมุนตัวกลับห้องเจิ้งอวิ๋นชงในวันนี้ดื่มไปไม่น้อยจนอยู่ในสภาพเ ม, มาไมยกลิ่นเหล้าโชยหึ่งไปทั้งตัวทำไมคุณกลับมาเร็วจัง ไหนบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับเสียวหวานไม่ใช่เหรอ